คือการปฏิบัติธรรมเนะีเป็นการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกระใจที่จะเรียนรู้ตัวนี้ก่อนที่จะมาเรียนรู้กายรู้ใจเราต้องเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนการเตรียมความพร้อมของจิตรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของกายวาจาด้วยกายวาจาใจของเราต้องพร้อมถึงจะเจริญปัญญาได้ได้สะดวก กายวาจาเราต้องให้เรียบร้อยด้วยการรักษาศีลห้าไว้ศีลจะเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยถ้าจากนั้นเราต้องมาฝึกจิตจัดการจัดระเบียบจิตใจให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจิตจะต้องทรงสมาธิอยู่สมาธินั้นมีสองชนิดสมาธิสงบอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสมาธิทั่วทั่วไป ในศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างมุสลิมเขาละหมาดวันละห้าครั้งคล้ายมีเวลาคิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้งอันนี้เขาได้สมาธนะิเป็นเรื่องดีหรือพวกคริสเขาก็ไปร้องเพลงไปในสรรเสริญพระเจ้านะเพลงเขาไม่ยั่วกิเลสเพลงเขาฟังแล้วสงบนี่ก็เป็นสมาธิที่เขาก็นับลูกประคำเขามีลูกประคำด้วยหรือ รัที่อื่นๆบางทีก็มีสวดมนต์มีอะไรเนี่ยสมาธิอย่างนี้มีมาแต่ไหนแต่ไรละในาศาสนาไหนๆก็มีมันเป็นการฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นให้จิตจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่ไปที่อื่นธรรมชาติของจิตนั้นมันท่องเที่ยวร่อนเร่อยู่ตลอดเวลามันก็เลยฟุง้งซ่านถ้าเราเลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะ สักอารมณ์หนึ่งเอามาล่อจิตไว้ให้จิตมาอยู่ในอารมณ์อันนี้อย่างเดียวไม่หนีไปที่อื่นจิตจะสงบของเราชาวพุทธจะไหวพระสวดมนต์ก็ได้จะบริกรรมพุโทโธพุโทโธอะไรอย่างนี้จิตไม่หนีไปที่อื่นไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นจิตก็สงบหรือรู้ลมหายใจนะจิตสงบแนบพอไปในลมหายใจ อรมณ์จค่อยๆตื้นๆต้นๆขึ้นกลายเป็นแสงสว่างจิตสงบอยู่ในแสงสว่างจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้เป็นสมาธิชนิดสงบสมาธิอย่างนี้แม้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สมาธิอย่างนี้เป็นสาธารณะคือที่ไหนที่ไหนก็มีนั่นเป็นสมาธิที่พวกเราคุ้นเคยคนทั้งหลายที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมลงมือปฏิบัติธรรม ท, ทีไรเนี่ย มันจะมุ่งมาสู่สมาธิชนิดนี้ด้วยความเคยชินเพราะเวลาที่ผ่านมาในวัตสงสารที่เราร่อนเร่มานะสร้างคุณงามความดีกันมาเนียถ้าลงมือปฏิบัติทำสมาธิภาวนามักจะเป็นสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิของชาวพุทธสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยพวกเราไม่ชินกับคว่าตั้งมั่นเราชินกับคว่าสงบ คิดถึงคำว่าสมาธิที่ไรห้คิดถึงความสงบทุกทีทัทง้งๆที่ในความเป็นจริงนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นถ้าใครเขาถามเรา ว, ว่าสมาธิแปลว่าอะไรไปบอกว่าสงบนะให้บอกว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ตั้งมั่นของอย่างอื่นไม่ใช่ความตั้งมั่นของอารมณ์นะแต่เป็นความตั้งมั่นของจิตสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตจะทรงตัวขึ้นมาเป็นหนึ่ง ในขณะที่อารมณ์นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้จะไม่เหมือนสมาธิชนิดสงบสมาธิชนิดสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับพุโทโธไม่มีอย่างอื่นเลยรู้แต่พุโทโธรู้ลมหายใจก็มีแต่ลมหายใจไม่มีอย่างอื่นดูท้องพองยุบก็มีแต่ท้องไม่มีอย่างอื่นนันสมาธิชนิดสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ง สมาธิตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้อารมณ์เข้ามาทางทวารทั้งหเข้ามาทางตาจิตก็ยังเป็นคนดูเข้ามาทางหูจิตก็เป็นคนฟังเข้ามาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตเป็นคนรับรู้จิตมันทรงตัวเด่นอยู่ทำไงเราจะฝึกสมาธิชนิดนี้ได้สมาธิอย่างแรกไม่ยากอะไรหรอกสมาธิอย่างแรกที่สงบนะก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียว อย่างต่อเนื่องจิตไม่หนีไปในอารมณ์อนอื่นจิตก็สงบแต่สมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยต้องฝึก อ, อีกแบบหนึง่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยให้เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอย่างเราเคยพุโทโธแล้วสงบเคยหายใจแล้วสงบเคยดูท้องพองยุบแล้วสงบก็ใช้อารมณ์เก่าก็ได้แต่แทนที่จะมุ่งให้จิตสงบนะเปลี่ยนมาเป็นมุ่งรู้ทันจิต พุโทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตขยับมือทําจังหวะแล้วรู้ทันจิตการที่เราคอยรู้ทันจิตเนืองๆนี่แหละรเรียกว่าจิตสิกขาบทเรียนชื่อจิตสิกขา น, นในไตรสิกขาบทเรียนของพระพุทธเจ้ามี3บทบทที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาคือการฝึกให้กายวาจาเรียบร้อยบทเรียนที่สอง ชื่อว่าจิตตสิกขาฝึกให้จิตเรียบร้อยจิตตั้งมั่นจิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาบทเรียนที่สามถึงจะชื่อปัญญาสิกขามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนาะงั้นถ้าไม่ผ่านบทเรียนที่สองเนี่ยจู่ๆ จ, จะไปเจริญปัญญาเลยยังไปดูท้องพองยุบเลยนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจิตนจะไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาไปรู้ลมหายใจนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ จิตจะไม่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นไ่มจิตน่นก็อยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์ก็อยู่ส่วนหนึ่งคนละอันกันถ้าจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันได้เมื่อไหร่นะมันจะเห็นความจริงว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวจิตที่ไปรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ถ้ามันไหลไปรวมกันเข้ามาเมื่อไหร่นะ ขันห้ามารวมตัวกันเข้ามาเมื่อไรมันก็มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมานะงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นให้ได้สก่อนวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นมีสองวิธีวิธีที่หนึนะ่งทำฌานยกตัวอย่างแต่ไม่ ม, มีไม่มากนะยุคเราวิธีที่จะฝึกนะอย่างเรารู้ลมหายใจนี่รู้สบายสบายไปนะเห็นร่างกายหายใจเรารู้สบายสบาย เริ่มต้นเนี่ยลมมันจะรยาวเข้าไปถึงท้องนะหรือถ้าถึงสะดือถึงอะไรอย่างเนี้ยมันจะลึกลมหายใจที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้สึกลึกหายใจแล้วเลือกลงไปนะพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมจะค่อยๆตื่นลมจะค่อยๆตื่นตื่นตื่นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวเองในี่สุดลมมันจะมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเองแล้วมันจะแปลสภาพเป็นแสงสว่างจากลมหายใจนะ แต่เดิมเราใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานพอเกิดแสงสว่างขึ้นเราใช้แสงสว่างเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตตัวแสงสว่างที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าอุค ห, หานิมิตพออุค ห, หานิมิตเกิดเราก็ทิ้งลมแล้วไม่ต้องดูลมแล้วไม่มีให้ดูละดูอยู่ที่อุค ห, หานิมิตคือแสงสว่างนี่ถ้าดูไปจนกระทั่ทงจิตมันแนบอยู่กับแสงนะกลมกลืนอยู่กับแสง มันจะกำหนดให้ใหญ่ให้กว้างนะแผ่รังสีให้กว้างแค่ไหนก็ได้ให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้นะจิตเนี่ยมีความตรึกอยู่ในแสงสว่างนี้มีความเคล้าเคลียคือความตรองอยู่ในแสงสว่างนี้นะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่กับแสงสว่างนียจิตจะเข้าปฐมฌานตรงที่เราเข้ามาถึงปฏิภาคนิมิตตรงที่เห็นเป็นแสงสว่างแล้วเราควบคุมได้นะให้เล็กให้ใหญ่ได้ ตรงนี้เป็นสมาธิชื่อว่าอุปจาระสมาธนะิแล้วถัดจากนั้นนะเกิดปีติเกิดความสุขอนะไรเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตเข้าปฐมฌานจิตที่เข้าปฐมฌานะมีวิตกคือการตรึกถึงแสงสว่างคือถึงดวงปฏิภาคนิมิตมีความตรองคือจิตเข้าเคลียกับดวงปฏิภาคนิมิตมีปีติมีความสุขขึ้นมานะมีความเป็นหนึ่งนี้พอเรามีสติต่ตอไปอีกเราจะเห็นเลยว่า การที่จิตยังตรึกยังตรองอยู่ในปฏิภาคนิมิตในดวงสว่างนั้นยังเป็นภาระอีกนจิตจะวางตัวการตรึกตรองในอารมณ์ตัวรู้เนี่ยจะเด่นขึ้นมาถ้ายังมีการตรึกการตรองในอารมณ์นะจิตไหลไปในตัวอารมณ์นะตัวรู้จะไม่เด่นขึ้นมาเนี่งั้นพอเข้าถึงฌานที่สองเนี่ยละวิตกวิจารณ์ไปเนี่ยตัวรู้จะเด่นขึ้นมางั้นตัวรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นในฌานที่สองเป็นต้นไป ในพระไตรปิฎกท่านเรียกว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งอัตถกถาก็แปลว่าสมาธิเขาแปลถูกสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธิธรรมดาละนี่เป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมันนี่ถ้าถึงตรงนี้ได้นะพอออกจากฌานขึ้นไปฌานที่สูงขึ้นไปนะตัวรู้นี้ก็ย่าเด่นดวงอยู่กระทั่งเข้าอารูปฌานโลกาธาตุนี้หายไปนะ ร่างกายหายไปไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือตัวรู้เด่นดวงอยู่นี่เองตัวรู้นี่จะเด่นอยู่ออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยตัวรู้ยังทรงอยู่ได้หลายวันทรงอยู่ได้หลายวันก็ใช้ตัวรู้นี่แหละมาดูร่างกายมาดูเวทนาเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาไม่ใช่เรานี่เป็นขั้นของการเจริญปัญญานี่ถ้าพวกเราทำชาญไม่ได้มันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้เกิดตัวรู้ขึ้นมา แต่ตัวรู้ตัวนี้จะไม่ทนทานไม่อายุยืนเหมือนตัวรู้ที่เกิดจากการทําฌานตัวรู้ที่เกิดจากการทําฌานจะอยู่ได้นานอยู่ได้บางทีอยู่ได้เจ็ดวันนะเสื่อมไปหน่อยหนึ่งมานั่งสมาธิใหม่ก็เด่นอยู่ได้อีกหลายวันเลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึง่งก็ต้องเสื่อมเหมือนกันนี่ตัวรู้อีกชนิดตัวรู้อย่างเดียวกันแหละแต่ว่าวิธีอีกชนิดหนึ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นอาศัยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จิตที่นีไปคิดนั่นเองจิตรู้กับจิตคิดเป็นสิ่งตรงข้ามกันสังเกตให้ดีถ้าใครเรียนกับหลวงพ่อมานานนะจะจับหลักได้อย่างหนึ่งเวลาที่หลวงพ่อจะสอนให้ไปสู่จุดนี้นะหลวงพ่อจะไปพูดถึงอีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งว่าอย่าเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันจะมาเป็นอย่างนี้ไปพูดบ่อยๆ บ, บ, บอกว่าไม่ต้องทาให้ถูกหรอกแค่ทาให้ผิด่็พอละทําไม่ผิดนี่ถูกเองนะ ถ้าอยากทำให้ถูกไม่ถูกเลยนะงั้นเหมือนกันทำไงตัวรู้จะเกิดตัวรู้จะเกิดได้ถ้าเรารู้ทันตัวคิดงั้นเวลาที่จิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะจิตก่หลุดหลอกจากโลกของความคิดเกิดเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่ทำไงเวลาจิตหนีไปคิดเราจะรู้ได้เร็วไม่ใช่หนีทีเดียวหนีทั้งวันหนีทั้งคืนหลงไปเป็นวันวันมันก็ต้องมีการช่วย ไม่ให้จิตหลงนานวิธีช่วยไม่ให้จิตหลงนานก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้นะแต่อยู่แล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดหรือจิตที่เคลื่อนไปเพ่งอารมณ์เช่นดูลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทัน การที่เรารู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติจิตที่ฟุ้งไปทางอารมณ์ต่างๆนะฟุ้งไปดูฟุ้งไปฟังฟุ้งไปคิดเนนะี่ยเป็นจิตฟุ้งสัน้นจิตประกอบด้วยโมหนะมีอุทัจจะเป็นโมหะเรียกความฟุ้งสัน้นอุทัจจะเป็นกิเลสถ้าเมื่อไรมีสติรู้ทันกิเลสนะกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะนั้นเราทําให้เกิดสมาธิเนี่ยนะง่ายที่สุดเลย รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อจิตฟุ้งซ่านดับอัตโนมัตินะจิตที่มีสมาธิก็เกิด อ, อัตโนมัติเหมือนกันนะเพราะมันกลับข้างกั น, นอย่างโยนเหรียญไปนะไม่ออกหัวก็ออกก้อยก็มีแค่นี้เองถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็สงบก็แค่นี้เองให้เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเช่นเราพุโทโธพุโทโธหรือเราหายใจหรือเราดูท้องพองยุบเราขยับมือทําจังหวะ ถ้าเราทาอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราเห็นเลยจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันแค่นี้เองจิตจะดีดออกจากโลกของความคิดและหมดความฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธินั้นตรงข้ามกับอุทจจะความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตที่ไหลไปนั่นแหละสมาธิจิตตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นวิธีที่ง่ายๆงั้นพวกเราทุกวันต้องซ้อมซ้อม เวลาทําในรูปแบบนั้นบางทีก็ซ้อมเพื่อให้จิตตั้งมั่นบางทีก็ซ้อมหัดรู้สภาวะเพื่อจะได้เดินปัญญานะเวลาที่เราทําในรูปแบบที่หลวงพ่อพูดว่าต้องทําในรูปแบบนะถ้าจิตฟุง้งซ่านมากจริงๆิน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวทําสมถะนะถ้ามีกําลังมากขึ้น ก, ก็ทําอารมณ์กรรมฐานอย่างเดิมที่ใช้ทําสมถะนั่นแหละแต่แทนที่จะน้อมให้จิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวนะให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด จิตที่เคลื่อนไปพอรู้ว่าจิตเคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นเราจะได้สมาธิชนิดที่สองคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอได้จิตตั้งมั่นแล้วเวลาทำในรูปแบบนะเรายังพัฒนาไปสู่จุดที่สได้หัดรู้สภาวะนะเช่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็หัดรู้ไปเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูนี่หัดรู้สภาวะของรูปรูปที่เคลื่อนไหวนะรูปที่หยุดนิง่ง หรือว่านั่งสมาธิอยู่นะหรือเดินจงกรมอยู่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ละ <ș i> เห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูอยู่เนี่ยเป็นหัดรู้สภาวะของร่างกายของรูปนะหรือนั่งนานๆเกิดความปวดความเมื่อยเดินนานๆเกิดความปวดความเมื่อยนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูรู้ทันว่ามีความปวดเมื่อ ย, ยเกิดขึ้นในกายปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ยจิตเป็นคนดูนี่หัดรู้สภาวะคือหัดรู้เวทนา ภเวทนามากขึ้นมากขึ้นนะความทุรนทุรายเกิดที่จิตกระสับกระส่ายแล้วชักกังวล น, นั่งนานปวดนานนะเดี๋ยวจะเป็นง่อยไหมจะพิการไหมจะเป็นอัมพาตไหมชักห่วงชักกังวล น, นะหรือว่านั่งไปสักพักหนึ่งแดึกแล้วนะพรุ่งนี้ยังต้องทํางานนะใจกังวลขึ้นมาควรจะนอนแล้วหน้าอะเนี้ยใจท้อทแท้ท้อถอยขึ้นมาความรู้สึกทางใจเนี้เรียกว่าความปรุงแต่งเรียกว่าสังขารขันอยู่ในสังขารขันเป็นความปรุงแต่งของจิต นะเราก็ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่เราจะเห็นเลความท้อแท้ความหดหู่ความขี้เกียจขี้คลานอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่ก็คือการหัดรู้สภาวะของสังขารทั้งหลายนั่นเองนะการที่เราปฏิบัติในรูปแบบนั้นยิ่งทําได้สอย่างอันที่หนึ่งถ้าจิตฟุ้งซ่านมากทําความสงบให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวอันที่สองเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปคิด เราจะได้สมาธิชนิดที่สองคือจิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นแล้วเวลาที่เราทำในรูปแบบเนียหัดรู้สภาวะไปนะสภาวะของร่างกายสภาวะของเวทนาคือความสุขทุกข์สภาวะของสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงความวิตกกลางวนต่างๆนะให้รู้ทันนะแล้วก็รู้สภาวะของจิตจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังวิ่งไปคิด แต่ตอนที่ทําในรูปแบบเนี่ยมันจะปิดทวารไปบางส่วนถ้าเรานั่งสมาธิอยู่นะมัก็ไม่วิ่งทางตาไม่วิ่งทางหูเหลือแต่ทางใจก็เห็นจิตไหลไปทางใจเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่ก็รู้ทันอาการของจิตเป็นการหัดรู้สภาวะการทําในรูปแบบนี้แหละนะฝึกไว้ให้ชํานาญนะต่อไปเราจะขึ้นสู่การเจริญปัญญาเจริญปัญญาได้เมื่อมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู มีสติรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นการที่หัดรู้สภาวะนั้นแหละจะทำให้เกิดสติการที่รู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหลงไปจะทำให้เกิดสมาธิชนิดตั้งมั่นอาศัยสติและความตั้งมั่นของจิตสองอย่างนี้เป็นตัวช่วยกันจะทำให้เกิดปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นะต้องต้องมีสองสิ่งนี้อาศัยการทาในรูปแบบนี้มาช่วยนะ นั้นทำในรูปแบบนะถ้าฟุ้งซ่านเขาทาความสงบพุโทโธพุโทโธไม่ต้องคิดอะไรมากนะให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วก็ทําทกรรมฐานเดิมนั่นแหละแต่รู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูพอจิตตั้งมั่นนี่เราได้สมาธิแล้วต่อไปเราก็มาพัฒนาให้เกิดสติเกิโดโดยรู้สภาวะเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดู เห็นร่างกายเดินจิตเป็นคนดูอย่างเงี้ยเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นคนดูเห็นจิตเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเป็นคนดูถ้าดูได้อย่างนี้ชำนิชำนาญนะพอร่างกายขยับกลิ้งเดียวนะสติเกิดเองจะรู้สึกตัวขึ้นเองเลย นะความรู้สึกแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายนิดเดียวสติเกิดเองเลยความรู้สึกหรือกุศลอกุศลแปลกปลอมเข้ามาในจิตนิดเดียวนะสติะระลึกได้เลยจิตเคลื่อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนิดเดียวนะสติะระลึกได้เลยเมื่อเราได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิคือความตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราเจริญปัญญาได้ละการเจริญปัญญานั้นทําได้สามช่วงสามลักษณะอันหนึ่ง ใช้สมาธินำปัญญาอันที่สองใช้ปัญญานำสมาธิอันที่สมใช้สมาธิและปัญญาควบกันทำได้หลายแบบถ้าเราไม่ทรงฌานเราก็ตัดเรื่องสมาธินำปัญญาออกไปไปทำสมาธิเข้าฌานให้ได้แล้วจะมาเจริญปัญญามันทำสมาธิไม่สำเร็จเลยไม่ได้เจริญปัญญาถ้าเราทำสมาธิได้เราก็ใช้สมาธินำปัญญาหรือสมาธิและปัญญาควบกัน แต่ถ้าเราทรงฌานไม่ได้เข้าฌานไม่ได้ทําสมาธิไม่ได้จริงเราไม่มีทางเลือกหรอกเราก็ต้องใช้ปัญญานาสมาธิแต่ไม่ว่าจะใช้สมาธินาปัญญาปัญญานาสมาธิหรือสมาธิและปัญญาควบกันสุดท้ายจะเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างเดียวกันเข้าไปสู่จุดเดียวกันแต่เดินคนละช่องทางพวกเราต้องหัดใช้ปัญญานาสมาธิแต่ว่าเราก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นก่อนนะ แล้วก็มีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายในใจถ้าจากนั้นเนี่ยจเจริญปัญญาเลยเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายหรือกุศลอกุศลสุขทุกข์ใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกาย ก, ายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่ง ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลความยินดียินร้ายใดยๆเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันล้วเปิดทวารทั้งหกแต่เรารู้ทันอยู่ที่จิตนะไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งนะไม่ได้บังคับจิตให้นิ่งแต่รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในสมัยพุทธกาลมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อพระโปธิละท่านชื่อจริงว่าอะไรไม่มีใครรู้นะ ไม่รู้ว่าท่านชื่อจริงว่าอะไรคําว่าโปธติลาเนี่ยเป็นฉายาพระพุทธเจ้าเป็นคนเรียกโปธติลา่าแปลว่าใบลานเปล่าใบลานเปล่าไม่มีตัวหนังสือเป็นใบลานเปล่าเปล่าฟังแล้วเหมือนเซนนะใบลานเปล่าเนี่ยคงบรรลุขั้นสุดท้ายไปแล้วพระโพธิลาเนี่ยแตกฉานนะทรงจําธรรมะไว้ได้มากมายแล้วก็สอนธรรมะนะสอนเก่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยแต่ท่านไม่ได้กระทั่งพระโสดาบัน เวลาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจะแกล้งท่านเรียกโปธิะประโพธิระเรียกแทนชื่อคนอื่นก็เลยเรียกตามใบลานเปล่าคือใจของท่านเนี่ยไม่มีธรรมะใจของท่านว่างเปล่าจากธรรมะท่านมีแต่ความทรงจามีสมองที่จําธรรมะได้แต่ใจไม่มีธรรมะล้ท่านถูกพระพุทธเจ้าเรียกว่าใบลานเปล่าใบลานเปล่าบ่อยๆท่านอาย เป็นพระที่มีชื่อเสียงลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะพูะเจ้าพูดไม่ไว้หน้าเลยท่านอายนะท่านก็ลาพระเทเจ้าไปภาวนาออกไปวัดป่าไปถึงก็ไปหาอาจารย์ใหญ่ของวัดป่าถ้ายุคที่ผ่านมาก็าแค่วิ่งไปหาหลวงตามหาบัวอะไรเงี้ยนะนี่ไปหาอาจารย์ใหญ่บอกขอให้ช่วยสอนกรรมฐานให้หน่อยพระมหาเทระใสาสายกรรมฐานนะโอ้ผมสอนท่านไม่ไหวหรอก ความรู้ท่านเยอะกว่าผมอีกผมไม่มีปัญญาสอนหรอกไม่ยอมสอนจริงๆพระท่านฉลาดนะท่านจะทรมานพระปุธิละพุทธเจ้าทรมานเป็นองค์แรกนะั้นทําให้อายก่อนพอไปขอเรียนจากพระผู้ใหญ่นละ้วก็ไม่ท่านก็ไม่สอนให้ไปขอก็เรียนกับพระรองลงมาเรื่อยพระนั่งเป็นแถวนไปถึงองค์สุดท้ายยังไม่ยอมสอนให้เลยผมสอนท่านอาจารย์ไม่ไหวนะอาจารย์รู้เยอะกว่าผมอีกจนไปถึงเนน ถามไปเรื่อยเลยทางวัดนะไปถึงเนนอายุเจ็ดขวบเองเนนช่วยสอนหลวงพ่อหน่อยได้ไหมสอนกรรมฐานให้ทีเนนบอกได้คือถ้าเนนไม่สอนเนี่ยทางวัด น, นี่หมดแล้วไม่มีละ <c oughs> ได้สอนแต่หลวงพ่อต้องเชื่อฟังคําสั่งนะเมื่อเป็นลูกศิษย์นะอย่ามาถือว่าเป็นพระพรรษาหลายสิบพรรษาไม่ได้นะ <c oughs> ท่านบอกได้ท่านยอมเนนสั่งบอกเนี่ยลงบ่อน้ําไปเลย ลุยลงไปเลยนะอย่าทอดจีวร น, นะจีวรของท่านเป็นจีวรผ้าไหม่อย่างดีเลยอาจารย์ดังเนี่ยจีวรแพงท่านใจถึงจริงๆนะท่านลุยลงน้ําจริงๆเลยพอชายจีวรจะแตะน้ําเนนบอกหยุดให้ยืนอยู่ตรงนี้แหละท่านก็หยุดผ้าท่านยังไม่ทันเปียกเนนให้กลงไปยืนในเบานะแต่อยู่ริมริมเนนก็ชี้ให้ดูบอกว่ามีจําปลวกอยู่จําปลวกหนึ่ง อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยท่าอาจารย์เห็นไหมมีจำปลวกอยู่จำปลวกนี้เป็นจำปลวกร้างไม่มีปลวกแล้วละเหี้ยตัวหนึ่งมันเข้าไปขุดรูอยู่ในจำปลวกนี้มันมีช่องทางเข้าออก6ช่องนะจำปลวกนี้มีช่องทางเข้าออก6ช่องถ้าอาจารย์จะจับเหี้ยตัวนี้นะท่าอาจารย์ต้องปิดสะ5้าช่องแล้วรู้อยู่ช่องเดียวนะเน้นขยับจะสอนต่ออีกเยอะแยะเลยนะ ราโพธิละบอกท่านอาจารย์อาจารย์เ네นนแค่นี้พอละเข้าใจละนันก็ขึ้นจากน้ำมานะท่านรู้ละจอมปลวกนั่นก็คือตัวเรานี้เองมีช่องทางหกช่องที่เป็นทางเข้าออกของจิตจิตนั่นแหละคือตัวเฮียช่องทางเข้าออกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเน네นบอกว่าให้ปิดไว้ห้าช่องเหลือไว้ช่องเดียวแล้วจะจับได้ ปิดเนี่ยไม่ใช่ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายนะคำว่าปิดเนี่ยหมายถึงการสำรวมระวังนะสำรวมอินทรีย์นั่นเองวิธีปิดตาไม่ใช่ไม่ดูวิธีปิดหูไม่ใช่ไม่ฟังนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังแต่มีใจที่สำรวมอยู่เมื่อตามองเห็นรูปนะตามีตามีรูปมีแสงสว่างมีความรับรู้ทางตาก็ต้องเห็นรูป มีหูมีเสียงนะมีอากาศเป็นสื่อนะมีการความรับรู้ทางหูก็ต้องได้ยินเสียงไม่ต้องห้ามมันให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดานั่นแหละแต่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดความรู้สึกสุขเกิดความรู้สึกทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดยินดีเกิดยินร้ายที่จิตให้มีสติรู้ทันมช่องเดียวที่จะดูแลมันนะคือจิต ห้าช่องนี่ไม่มีไวยาอะไรแค่สัมรวมนะสัมรวมหมายถึงว่าในขณะที่ดูไม่ขาดสติในขณะที่ฟังไม่ขาดสติในขณะที่พูดไม่ขาดสติในขณะที่กินไม่ขาดสติถ้ามันเมีสตินี่เรียกว่าสัมรวมสัมรวมไม่ได้แปลว่าไม่ดูไม่ฟังนะดูด้วยความมีสติเรียกว่าสัมรวมฟังด้วยการมีสติเรียกว่าสัมรวมกินรู้รสด้วยความมีสติเรียกว่าสัมรวมงั้นให้สัมรวมอินทรีย์ ตาหูจมูกเลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อย่าเตลิดเปิดเฟิงนะกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์ที่จิตให้รู้ทันเกิดกุศลอกุศลที่จิตให้รู้ทันเกิดยินดียินร้ายขึ้นที่จิตให้รู้ทันแค่นี้เองนี่หลักกรรมฐานง่ายๆนะที่จะฝึกในชีวิตประจําวันพวกเราไปฝึกให้ได้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยในความเป็นจริงนั้นทุกคนสามารถรู้ทันสภาวะที่เกิดกับจิตได้อยู่แล้วความสุขใครไม่รู้จักความสุขมีไหม ใครไม่รู้จักความทุกข์มีไหมก็ไม่มีเห็นไหมใครไม่รู้จักโลภใครไม่รู้จักโกรธใครไม่รู้จักหลงใครไม่รู้จักฟุ้งซ่านใครไม่รู้จักหดหูความรู้สึกทุกอย่างในจิตใจเนี่ยเรารู้ได้อยู่แล้วเพียงแต่เราล้าเลยที่จะรู้เท่านั้นเองหลวงปู่ดูลถึงสอนบอกว่าการปฏิบัติน่ะไม่ยากยากแคเพียงผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติคือผู้ล้าเลยไม่ยอมดูผูยอมดูเท่านั้นเองต่อไปนี้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะ อย่าไปบังคับให้จิตนิ่งเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อย่าไปกําหนดไว้ที่ตาอย่าไปกําหนดไว้ที่หูอย่าไปกําหนดที่จมูกที่ลิ้นที่กายอย่ากําหนดกระทั่งอยู่ที่จิตให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดานั่นแหละเหมือนเด็กๆนี่แหละเด็กเห็นรูปนะก็เห็นเราก็เห็นรูปเหมือนที่เด็กเห็นเหมือนที่หมาที่แมวเห็นนั่นแหละกระทบไปตามธรรมชาติธรรมดา กระทบไปแล้วก็ปล่อยให้เกิดความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะเพราะงั้นกระทบไปแล้วเห็นของสวยมีความสุขเห็นของไม่สวยมีความทุกข์ก็แค่รู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นมะีความทุกข์เกิดขึ้นเห็นพระพุทธรูปนะจิตเกิดกุศลรู้ทันว่ามีกุศลเกิดขึ้นนะเห็นคนทะเลาะกันนะอยากไปร่วมตีเขาด้วยอะไรเนี้ยนะมันอยากเผาบ้านเผาเมืองอะไรเนี้ยนะ จิตเป็นอกุศลมีโทสะแทรกเข้ามารู้ทันว่ามีอกุศลแค่นี้แหลนะหรือว่าเมื่อเกิดความสุขแล้วอยากให้ความสุขอยู่นานๆหลงยินดีในความสุขให้รู้ทันนี่ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นนะเกิดความไม่พอใจยินร้ายต่อความทุกข์ให้มีสติรู้ทันนี่ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะเกิดกุศลจิตยินดีพอใจให้รู้ว่ายินดีพอใจนี่ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง เกิดอกุศลจิตไม่ชอบอย่างโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายโกรธจิตไม่ชอบความโกรธให้รู้ทันว่าจิตไม่ชอบแลจิตยินร้ายงนะั้นทีแรกเราก็รู้ทันนะเกิดสุขเกิดทุกข์เราก็รู้ทันเกิดกุศลอกุศลก็รู้ทันถ้าถ้าไปรู้มีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลแล้วนะรู้ทันแล้วนะถ้าจิตยินดีให้รู้ทันถ้าจิตยินร้ายให้รู้ทันมันลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถ้ารู้ไม่ทันความยินดียินร้ายของจิตเนี่ย มันจะปลุงตันหามาครอบงําจิตแล้วนะให้รู้ทันการปฏิบัติจริงๆไม่ยากนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาเมื่อกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดีเกิดดีร้ายให้มันเกิดไปไม่ห้ามเพราะเราไม่ได้รักสุขเกลียดทุกข์ไม่ได้รักดีเกลียดชั่วนะในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูของเราทั้งสิน้น ความสุขก็เป็นครูความทุกข์ก็เป็นครูคกุศ ล, ลก็เป็นครูอกุศลก็เป็นครูโลภโกรดหลงเป็นครูของเรา <Yeah. S 1> ทั้งสิน้นครูสอนในเรื่องเดียวกันด้วยสอนไตรลักว่อความสุขเกิดขึ้นเราเห็นความสุขมาแล้วก็ไปนี่ความสุขไม่เที่ยงความสุขที่มาอยู่นี่นะทนอยู่ไม่ได้นานนี่ความสุขเป็นทุกข์ความสุขนี้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปเราบังคับไม่ได้นี่อนัตตา ถึงความทุกข์หรือกุศลถึงอกุศลก็อย่างเดียวกันนะความโกรธนะแต่เดิมไม่โกรธตอนนี้โกรธขึ้นมาตอนนี้โกรธแล้วความโกรธหายไปเมื่อกี้โกรธตอนนี้หายไปนี่ไม่เที่ยงความโกรธที่กําลังมีอยู่เนี่ยทนอยู่ไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องสลายตัวนี่มันเป็นทุกข์ความโกรธนี่เป็นตัวทุกข์ทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ความโกรธมีเหตุความโกรธก็เกิดความโกรธหมดเหตุความโกรธก็ดับไม่ใช่กูเก่งกูดับความโกรธได้ นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาการที่เรารู้ให้ตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดีนร้ายตามธรรมชาติธรรมดาเรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่จิตนะมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่เข้าไปแทรกแซงเราก็จะเห็นเลยว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราว จิตที่ไปดูก็ชั่วคราวจิตที่ไปฟังก็ชั่วคราวจิตที่ไปคิดก็ชั่วคราวสุดท้ายปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมานะถึงจุดหนึ่งดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเรื่อยปัญญ า, ามันจะปิ๊งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งนี้ชั่วคราวทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาตัวตนถาวรเลยนะก็ได้ภูมิธรรมแห่งพระโสดาบันถัาจากนั้นก็ภาวนายอย่างเดิมนั่นแหละมีสติรู้สภาวะทั้งหลายต่อไป ด้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่จิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่สรงสมาธิอยู่ที่สมาธิชนิดที่สองนี่ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันแจ่มแจ้งแนละ้ว <ร ược. S 1> จะเห็นในขันธ์ทั้งหลายนะจะเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมีแต่ของไม่มีสาระแก่นสารบางท่านเห็นว่าไม่มีสาระเพราะไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าไม่มีสาระเพราะเป็นทุกข์บางท่านเห็นว่าไม่มีสาระเพราะไม่อยู่ในอานาจบังคับ มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ท่านหมดความยินดียินร้ายหมดความยึดถือมันท่านสลัดคืนกายคืนใจคืนรูปนามทั้งหลายให้โลกไปนั่นคือภูมิธรรมของพระอรหันต์จิตจะพลากออกจากขันนะเป็นอิสระจากขันขันเข้ามาครอบงำจิตไม่ได้ขันยังเป็นตัวทุกข์เหมือนเดิมแต่จิตพลากจากขันนั้นจิตพ้นทุกข์จิตพ้นจากทุกวันใดที่ขันแตกขันดับวันนั้นคือวันดับทุกข์ นี่คือเส้นทางที่พวกเราต้องเดินกันนะเงั้นพวกเราหัดไม่ยากอะไรหรอกพยายามหัดถือศีลห้าฝนะึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูด้วยการรู้ทันเวลาจิตไหลไปหลัาจากนั้นก็หัดรู้สภาวะนะสภาวะสําหรับพวกที่ทําชาญไม่ได้ก็หัดดูจิตเอานะจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเพราะจิตตานุปัสนาเนี่ย เป็นวิธีเจริญปัญญาสําหรับพวกมิปัสนาญาณิกพวกที่ไม่ได้ทรงฌานกายานุปัสสนานะั้ยนะเป็นกรรมฐานสําหรับสมถญาณิกสําหรับคนทรงฌานงั้นพวกเราหัดดูจิต ด, ดูใจถูกต้องตามปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป๊ะเลยนะไม่จาเป็นต้องสตาร์ทด้วยการนั่งสมาธิลูกเดียวถ้านั่งไม่ได้กี่ชาตินั่งไม่ได้ต้องนั่งกันนานหลายชาตินะกว่าจะนั่งได้สะสมนานนั่งไม่ได้ ใช้ปัญญานำสมาธิเลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปแต่ต้องดูได้มีจิตที่ตั้งมั่นพอสมควรนะถ้ฝึกเอาอไฟมาพอดีได้เวลากินข้าวไฟมาก็ดีใจแปลกไหม <c oughs> ทำไมมันดีใจง่ายนัก <c oughs> ไปเชิญนิมนต์เลยครับ